ท่ฟังคะเรามาพบกับช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในรายการสันสนีสนทนากันในนาทีต่อ น, นี้ไปเลยนะคะนำ้ำมัศคาระทั้นคะใช่อาจรย์พานค่ะ น, น, นั่งคือพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนวัดปารดอนไฮโศกอุดรธานีค่ะพระอาจารย์คะวันนี้มีคําถามซึ่งดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ดีฉันเข้าใจว่าคนที่เจอปัญหาแบบนี้แล้วคิดว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยคุณปุ๊กกี้มีปัญหากับเพื่อนค่ะอ แล้วก็เกลื่อนําว่าคนที่ทําความดียี่สิบครั้งอืทําความไม่ดีสองครั้งสองครั้งนะวงเล็บไม่ได้ผิดศีลทั้งห้าข้ อ, อแล้วสํานึกขอโทษเพื่อนหลายครั้งอืแต่เพื่อนยังโกรธอยู่เพราะเขาไม่ชอบให้เราแสดงกิริยาเช่นนั้นต่อเขาเขาไม่ให้อภัยเรา ม, มีแต่กล่าวตําหนิเราและดูเหมือนทําท่าจะเลิกคบ ก, กับเราอถ้าเป็นเช่นนี้แสดงว่าจิตใจเขามีความคับแคนฝังแน่นพยาบาทใช่หรือไม่ นนเราก็ไม่ควรครบกับเขาอีกต่อไปใช่ไหมคะหากเขานิ่งเฉยและไม่ให้อภัยเราเในเรื่องในสมัยพุทธกาลมีดังนีนะ้มีพระสองค์คุยกันอยู่พระสององค์เนี่ยพอคุยกันแล้วปรากฏว่ามันของขึ้นยังไงไม่รู้องค์หนึ่งไปได๋ อ, องค์หนึ่งพอองค์หนึ่งไปได๋ อ, องค์หนึ่งแล้วเกิดระลึกขึ้นมาได้ว่าโอ้เราไม่ควรทําเลยไปขอโทษเขาไปขอโทษแล้วปรากฏว่าพระองค์ที่สองเนี่ยไม่ให้อภยัย นะผู้รู้เจ้าเลยบอกว่าคนพาณมีสองอย่างคนพาณเนี่ยคือคนที่อยู่ๆก็ไปด่าคนอื่นก่อนไปทําไม่ดีก่อนคะนะทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือคนพาณ น, นะคนพาณประเภทที่สองนี่ก็คือคนหนึ่งเขามาถอโทษเราแล้วเนี่ยเราไม่ให้อภัยเขาเนี่ยนี่ก็คนพาณประเภทที่สองนะเพราะฉะนั้นตอนแรกเราทําไม่ดีใช่ไหมเราก็เป็นคนไม่ดีละนะเอาพอเราสํานึกผิดได้เอาเระบับเป็นคนดีขึ้นมาแต่คนอื่นเขาไม่ให้อภัยเรานั่นแหละเขาเนี่ยคนไม่ดี<อ>นะเพราะฉะนั้น อ่าคนพานควรทํำยังไงค<า>่ะอก็อย่าไปคุยกับเข า, าเะเสวานาจะพาลระหนังมงคลสามสิบแปดนี่หใช่นั้นก็ถามว่าควรจะเลิกคบไหมก็ควรจะเลิก ค, คเลกคบกับสิ่งที่ไม่ดีของเขานะเขามีส่วนไม่ดีเราเลิกคบกับตรงนั้นจังเขาจะมีข้อดีก็คบกันไปได้นะก็ให้อภัยการแต่มาคิดว่ายอย่างนั้นคือเราข้อดีเราก็มีข้อเสียเราก็มีนะข้อดีเขาก็มีข้อเสียเขาก็มี ขณ่ว่าพระอาหารหันก็ยังมีข้อดีข้อเสียบ้างนในรทางโลกเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องฝึกหัดเอาไว้่แเขาให้อภัยเราเป็นยังไงเรื่องของเขาและกันแต่จิตของเราเนี่ยมีแต่ความให้อภัยความรักความเมตตาแลดีอดทนด้วยค่ะทีนี้พระพุทธองค์เนี่ยถึงกับตรัสจําแนกประเภทของคนผ่านว่าเป็นสองประเภทอย่างที่ว่าคือคนที่ว่าคนอื่นก่อนกับอีกประเภทหนึ่งคนที่ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นใช่เป็นคนบ่านทั้งคู่ไม่ทราบว่า การที่ส่งยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอย่างไรหรือไม่คะหรือว่านี่แหละคือธรรมะแล้วใช่นี่คือธรรม ะ, ะ, ะหมายความว่าเราพูดไม่ดีกับคนอื่นเนี่ยคุณเป็นคนไม่ดีนะเป็นอาศัต ร, รุรุษนะเป็น ค, คนที่เป็นคนพานลล่นะนนแล้วก็ให้สังเกตเลยว่าถ้าคนอื่นเนี่ยเขามาทำไม่ดีกับเราแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขามาขอขอโทษบอกฉันไม่แห่ไปเดอโอ้ยคุณนั่แหละคนพาลค่ะเพราะ ต้องถามอย่างนี้เนื่องจากเกรงว่าท่านผู้ฟังท่านอื่นอาจจะบอกว่าเอ๊ะมาถามเรื่องอะไรส่วนตัวกับพระาาใช่ไหมคะแต่นี่เป็นเรื่องธรรมะนี่อธรรมะเรื่องธรรมะเลยเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะแล้วน่าสนใจมากเพราะว่าในสังคมเนี่ยดิฉันเชื่อว่ามีอยู่เยอะนะคะ อ, อย่างกรณีของคุณปุ๊กกี้ดิฉันก็เคยเจอในเพื่อนใกล้ๆตัวเหมือนกันเมือ่อที่คบกันไปเนี่ยนะคะคนสนิทกันก็มักจะลืมที่จะเกรงใจกันใช่ค่ะ<อ>แล้วก็สุดท้ายเลยกลายเป็นเสียเพื่อนอ เอาตัวอย่างอย่า ง, างวันคระครูที่ผ่านมาคในอย่างคุณครูเนี่ยเด็กเนี่ยโอ้มันดื้อมันสนมันสอนไม่ฟังผ่านไปยี่สิบปีนะเด็กกลับไปเจอคุณครูอีกมาขอเข้ามาคุณครูจะต้องทํำยังไงนอกจากจะให้อภัยมีแต่ความรักควา ม, มาเมตตาก็ผ่านไปยี่สิบปีแล้วเขาต้งเป็นคนดีขึ้นมาได้ค่ะอันนี้เป็นคนควรยกย่องคุณจริงที่ฉเพิ่งอ่านบทความของคุณนิ้วกลมนะค ะ, ะเขาเขียนได้ดีแต่ว่าบังเอิญไม่ได้ เขียนแล้วหยิบยกเอาธรรมะฝ่ายใดมาพูดเลยอืเพียงแต่จากประสบการณ์แล้วก็เขียนแล้วน่าคล้อยตามที่บอกว่าเมื่อให้อภัยเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความรักตามมาแต่ถ้าไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นดิฉันก็เข้าใจว่าความจริงแล้วการไม่ให้อภัยกันเนี่ยถ้าจินตนาการต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันขัดต่อการที่เราจะก้าวหน้าในสภาวะธรำอะไรไหมคะอ๋อแน่นอนเพราะว่าการให้อภัยเนี่ย อภัยท า, านเนี่ยพระรูปเจ้าบอกเป็นมหาทานคเป็นมหาทานเป็นคุณธรรมอันหนึ่งที่เราต้องทําเพราะฉะนั้นการที่ไม่ให้อภัยเนี่ยแสดงว่าคุณมีอะไรคุณมีความเครียดแค้นคแต่ถ้าถ้าเรามีอุเบกขาอย่างงี้นะถ้าเรานิ่งอยู่เราวางเฉยก็ชื่อว่าให้อภัยอย่างหนึ่งน ะ, ะเพราะว่าเราไม่ได้มีจิตเครียดแค้นฝังแน่นอยู่ค่ ะ, ะเพราะฉะนั้น อ, อุเบกขาหรือว่ามีความรักความเมตตาก็ได้คือคนที่ให้อภัยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องมีความรักความเมตตาอย่างเดียวเป็นอุเบกขาก็ได้ท่านครับทีนี้อย่างกับสังคมไทยเนี่ย อ, อาจจะเนื่องมาแต่คําถามที่เป็นดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่ทีนี้กำลังมองว่าสังคมไทยที่เรามีปัญหากันอยู่เป็นเวลานานแรมปีๆเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราให้อภัยกันยากทีนี้พอท่านพูดถึงว่า ถ้าเขาเป็นคนพานแล้วอย่าไปคบเนี่ยอืมเลือกคบเป็นส่วนส่วนยาให้ท่านอธิบายตรงนี้เลยอ๋อก็หมายความว่าเวลาเขาไม่ดีเราอย่าไปยุ่งค่ะเวลาเขาต้องการข้อมูลดีหรือว่าทําดีเราสนับสนุนเขาตรงนี้เหมือนเด็กอ่ะคุณศาสนีลูกเราเนี่ยนะเอะคนที่ฟังรายการอยู่มีลูกใช่ไหมลูกเนี่ยส่วนที่เขาดีก็มีเขาอาจจะตื่นสายแต่อย่างอื่นเขาดีหมดเลยเป็นคนพูดจาไพเราะ เรื่องต่างๆเราก็รักส่วนที่ดีของเขาและส่วนที่ไม่ดีเนี่ยเราค่อยแก้ไปแก้ไปอย่างนี้ค่ะอก็เขาก็จะเป็นคนดีทั้งหมดขึ้นมาได้ค่ะอย่างนี้นะอย่างภิกษุรหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ยังไม่หมดกิเลสก็ยังมีกิเลสอยู่ปัญหาว่าเอายังไงล่ะจะทิ้งหมดเลยเหรอแหมมันไม่ได้นะเราก็ปาดส่วนที่ไม่ดีออกเอาส่วนที่ดีไว้ค่ะคือที่กําลังมองว่าสังคมวันนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาในลักษณะที่มันเหมือนกับมี มีการดำเดนินการในลักษณะเป็นหมู่อย่างเช่นตามอินเทอร์เน็ตที่เขาบอกว่ามันมีพฤติกรรมแม่มดไล่ล่าอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะมสมมุติว่าไม่ชอบหรือเห็นว่าอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงเขาทำผิดทำเพี้ยนแล้วมันก็จะเกิดการที่ปฏิเสธแล้วไม่ใช่เราปฏิเสธคนเดียวแต่กลับไปชวนคนทั้งสังคมเลย<อ>สังคมเล็กสังคมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทาให้คนคนนั้นบางทีไม่ต้องตายจริงไม่ต้องรอจนถึงการตายอย่างนั้น แต่ตายไปเลยจากความเป็นมนุษย์มันอยู่ลําบากอย่างเงี้ยค่ะอืคําถามคือคําถามก็คือว่าเนี่ยค่ะมันน่าคิดว่าเราจะต้องให้ธรรมะข้อนี้เยอะๆหรือไม่อ๋อใช่ก็เนี่ยจึงเป็นคุณธรรมที่เราต้องมีคืออุเบกขาค่ะแต่สมมติเราไม่ชอบคนนี้เลยแหมทําสิ่งนี้เราไม่ชอบแต่ส่วนอื่นเขาดีหรอกทั้งนั้นระวางอุเบกขาซะเนี่ยเป็นคุณธรรมของพรมคุณธรรมของคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นความยิ่งใหญ่ครูบาอาจารย์หรือนักการเมืองหรือใครก็แล้วแต่น ะ, ะที่ ปกครองประเทศอะไรต่างๆคุณต้องมีพระมิหารเท่ากับว่ากรณีคุณปุ๊กกี้ออสสรุปคุณปุ๊กกี้ก่อนนะคะถ้าอาจารย์สรุปว่าให้ครบในส่วนที่ดีใช่ะนอกอนั้นให้อุเ<ม>บกขาให้เบกขาเขาซะค่ ะ, ะแล้วถ้าเขายังไม่ต้องการครบกับเรานั่นหลีกนี้เราไปเราก็หาเพื่อนใหม่ที่ดีดูยังไงคนดีอก็ดูที่เขามีศีลนะพูดดีคิดดีทําดีอ่ะคนนี้เป็นคนดีคนคบถ้าไม่มีทําไงเพื่อนแบบนี้ไม่มีแล้ว นะคุณหาไม่ได้ไม่เป็นไรคุณก็ไปเอาพระสงฆ์ก็ได้หมายความว่าหาครูบาอาจารย์ที่ดีๆเราก็เอาคนนั้นเป็นกัละยะาณมิตรได้คือคนส่วนมากอาจจะบอกว่าโอ้เพื่อนดีๆหาไม่มีเลยฉันมีแต่เพื่อนไม่ดีกัลยะาณมิตรนะกัลยะาณมิตรเนี่ยพุทธเจ้า พ, พูดไว้หลายระยะนะคือแค่ว่าที่เป็นตัวคนนะเป็นเพื่อนได้นี่อันที่หนึ่งนะมีสีมีจาคะมีปัญญามีวิริยะและมีศรัทธา4อย่างนี้เป็นคนดีละเป็นเพื่อนดีละหรือถ้าไม่มีเอาพระสงฆ์ก็ได้ นะคนไหนก็ได้ที่เราเคารพนะเอาเป็นกรุบ า, าจารได้เป็นกาแลนามิตเอากรุบ า, าจารเป็นกาแลนามิตรค่ะหรือสุดท้ายเอามรคแปดเป็นกาแลนาม <úa. S 1> นะิตแต่ประเด็นถ้าเราไม่มีใครที่เป็นตัวคนนะจะคบกับเราแล้วไม่มีกาแลนามิตแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละเป็นกา <Dise> แล<ๆ>นาะมิตได้มรคแปดทีนี้มีไหมคะธร ร, รมะที่พูดถึงการที่เรามีเพื่อนแล้วเอาเพื่อนเป็นคนก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าเจตนานี่จะเป็นเรื่องที่เป็นมิตรเป็นคนนะคะ ถ้าเรามีเพื่อนแล้วเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนอย่างไรคุณธรรมในการปฏิบัติต่อเพื่อนนะมีไหมคะออพระรูชาพูดถึงเรื่องนี้นะอยู่ในเรื่องของทิฏตั้ง6ที่พูดถึงว่าข้อปฏิบัตินะเกี่ยวกับเพื่อนนะอันดับแรกเนี่ยก็คือเคารพนับถือวงศกุลของเพื่อนค่ะนะเช่นจะเป็นพ่อแม่อะไรต่างๆอย่างเงี้ยรักษาเพื่อนผู้ประมาทนะเขาประมาทเขาหลงไปไม่ดีนะคอยดูแลรักษาเขา แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเคารพเขาเรียกว่าเคารพสมาชิกนะพ่อแม่พี่น้องของเขาดูแลกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีอะไรก็แบ่งปันกันอย่างงี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนที่ควรจะทําให้กันอืนี่เป็นหน้าที่เลยเนนที่ได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะคะไม่เพียงแต่ว่าเราคารพเพื่อนเท่านั้นเราต้องให้เกียรติเราต้องดีกับคนรอบข้างของเขาด้วยอย่างนั้นใช่ไหมะใช่แล้วก็ต้อง ไม่ปล่อยให้เขาทำในสิ่งที่ไม่ดีคอยตักคอยเตือนแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ชักชวนกันไปทำความดีน ะ, ะพระรูชาพูดว่าหน้าที่สี่อย่างหน้าที่ห้าอย่างหน้าที่จะต้องมีคือคนที่มีมิตรเนี่ยต้องรักษามิตรที่ประมาทคันเรียนที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็พูดถึงเคารพนับถือนะสมาชิกในวงสกุลของมิตร นะอันที่3คือรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทนะสเป็นที่พึ่งของมิตรเมื่อมีภัยแล้วก็5ไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายห้านะอย่างอย่างนี้แล้วสำหรับคนที่ทําอย่างนี้กับเราแล้วเนี่ยเราควรจะตอบแทนเค้านะด้วยการที่เป็นคนผู้ใจแพราะนะสองด้วยการให้ปันนะมีของอะไรก็ซื้อไปฝากแบ่งปันกันบ้างนะอันที่3ก็คือด้วยการประพฤติประโยชน์ การบริสุทธิ์ประโยชน์นี่ก็คือหมายถึงช่วยเหลือกันทํากับข้าวให้กันอะไรบ้างอย่างนี้ <Okay. S 1> แล้วก็ด้วยการวางตนเสมอกันและห้า ก, ก็ไม่กล่าววาจาอันเป็นเครื่องให้แตกกันอืม hmm. นี่คือหน้าที่ที่มิตรควรมีกับมิตรคุณปุ๊กกี้เจอปัญหาข้อห้าแล้มั้งคะใช่กล่าววาจาทําให้แตกกันเราเอาของไปให้ซะนะมีเป็นสีน้ําใจเล็กน้อยเอาให้เขาซะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการรักษามิตรได้ <Okay. S 1> อย่างนี้ก็ได้นะคะ ใ, ใครที่ มีเพื่อนแล้วเพื่อนนี่เขาบอกว่ามีค่ามากอืถ้าหากว่าเรามีเพื่อนดีเราก็ต้องรักษาเพื่อนเนี่ยเพื่อนดีเป็นทั้งหมดของพระหมจรรย์อ๋อเหรอคะใช่พุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์เอาไว้อันนี้หมายถึงเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนเป็นคนคนหรือว่าได้ทั้ง น, นั้นถ้าพุทธเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าได้ทั้งที่เป็นตัวคนคนได้ทั้งที่เป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เราก็ได้ทั้งที่เป็นรักแปด คือคิดดูสิคนดีเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาชวานไปทไปําบุญเจอไปนั่สมาธิที่นี่กันไหมที่นี่ดีนะเอเราไปถวายทานที่นี่กันชวนไปทําความดีอย่างเงี้ยมันหาได้น้อยในโลกนี้ค่ะ ถ, ถ้าเจอเพื่อนเช่นนั้นแล้วให้รีบคบอะไรคว้าไวนะ้ถ้าไอพวกชวนไปเที่ยวเทคนี้ทิ้งมันไปค่ะคือหมายก็ว่าอย่าไปคบกับเขาตรงนั้นค่ะนะคะหน้าที่ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็คือรักษามิตรที่ประมาทเคารพสมาชิก ในตระกูลของมิตร<ช>รักษาทรัพย์ของมิตรเมือ่อเมื่อประมาณเมื่อมีภัยมาถึงเป็นที่พึ่งได้ให้เป็นที่พึ่งของเขาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเขาในยามีอันตรายในยามที่เขามีอันตรายกับควรจะต้องพูดไพเรอะ ก, กับเขาใช่ไหคะแล้วก็ประพฤติประโยชน์กับเขามีอะไรก็แบ่งปันให้เขา<ช>วางตนเสมอ ก, กันกับเขาอมสมมุติเกิดได้ดีแซงเพื่อนอย่างเงี้ยวางตนเสมอกันนี่หมาไม่ใช่หมายความว่าเราได้ เงินมากกว่าได้ความดีมากกว่าไม่ใช่วางตนเสมอกันเนี่ยคื อ, อพูดจาวางตนเขามาเยี่ยมที่บ้านเราไปเยี่ยมเขาที่บ้านวางตนเสมอการอย่างนี้อ๋อค่ะคือไม่ใช่ให้อีกฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งทําดีกับเราอย่างเดียวเราไม่ตอบแทนเขาเลยอย่างนี้ใ ช, ใช่ไหมคะแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็คือกล่าววาจาอย่ากล่าววาจาให้ร้ายกันถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเป็นพุทธวจนะเลย ก็เก็บเอาไว้ใช้กันนะคะจะได้มีเพื่อนดีๆที่เป็นที่ทุกอย่างของพรหมจรรย์นะคะเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์รรยค่ะวันนี้ก็คงจะต้องน้อมสักการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบรูในช่วงเวลาเปิดทํามที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะเป็นการน้อมนําเอาพุทธวจนะของพระพุทธองค์มาตอบคําถามต่างๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะนมสักการขอบพระคุณค่ ะ, ะพระเจ้าเต็มฟ้า